เดนจะเหงาคู season, ่เรงาางทางชีว so ิตแสงทันเ่ยผระเ้าแสดงสด้ชีวิปชีวเออแสดงเป็นเออทั้ง่ยุโกน้องคนภายในใจใจทังตัวทั้งนี้ทสงทอย่างนะเกิดจากภายในไม่ไล้เกิดจากภายนอกถามันเกิดน่ะกิดม่ได้ลกนแล้วมันจะเกิดขึ้นจากใจขง นักผลการห้เศษมันจะเกิดขึ้นจากจิตใจอีกเหมือนกันฉะนั้นอบ่งการแสดงทันการแสดงที่นักเกิดเนี่ยะแสดงที่อื่นทุกคนมีโรคป ก, ก ด, ดหลั ง, หอองิดเป็นตามเตลื่นมาทันเหตวเรืวองเดื้อมรับทางเดืเดอร้อนเวรเวลา ย, ยาวเลยติดใจ มีความโลภความโกรธความหลงแต่จายอมรรมะเรื่องของความโลภความโกรธความหลงแล้วเรื่องความสุขความสบายความเย็นก็จะมาเห็นหนูจเด้งแต่ความทุกข์ความยากคารลำบากเดยไปฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องการจังจัดความโลภความโกรธความหลงของใจ ทางธรรมะขอให้ทุกคนตั้งใจเป็นปัจจุบันอยากคิดไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็น อ, อย่างนี้อย่างนี้อยาคิดไปในอนะครับตทีอยังนะ่มาถึงแล้วย่างเลงในเรื่องปัจจุบันที่คิดไปอย่างนี้ใช่ไหมอย่งสารอะไรเมื่อก็หมดจิตใจทังเป็นหรือในอดในยรรน จะเป็นเรื่องบริการก็ทำหนึมั่นแต่คำบริการนี้ขน้นี้จะเป็นเรื่องคือกำจัดอารมณ์กั้ญญาต่างๆนานาให้ตกไปถึงอารมณ์จะเกิดขึ้นหรือผ่านม า, อ, าอย่าไปติดตามเกี่ยวข้องหนึ่งบริการดีอย่างนั้นเป็จจนจิตแต่รับตามสงบระงับหรือไม่อย่างนั้นอยังไม่ถึง วความสแบระงับคาบริลุกรรมอันนั้นกับจิตให้สัมผัสกันอยู่ทุกระยะเวลาในให้จิตไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์นอกมาเป็นอย่างนั้นจิตก็จะได้รับการสงบลงเรียได้ถึงแี่รงเรียนถ้งขัง้นแต่เราก็ไม่เสียใจแล่เราเด็กติดตามงสัญญาอารมณ์นอกไ ป, ไปแต่เตั้งใจ อยู่กับคาบริกรรมของตนมาอย่างนั้นจะพิจารณาอายุวะภาพขันตองหน้าต่างตาพิจารณาตามสภาพเป็นจียงของมันอยากไปเล้งไหลใส่ฝังตางสมมติของโลกเมื่อเราพิจารณาอยู่ในอายุวะร่างกายของเรา ด้วความเป็นกลยงจิตใจจะเห็นเกิดตลอดทั้งโลกในเรื่องสี่ผิดล้อเถิดเพลินุ่งหลง่าเป็นของสวยสดงดงาว่าเป็นของเที่ยงเป็นของแหน่นายต่างๆนี่คือทางทำจิตของตนให้ถึงธรรมถ้าหากเราเนีย กำหนดในธรรมจะให้มนเ็ไปเองเต็นในได้จิตใจของนของสัตว์ทั่วไปเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกัสัตถ้าหากในฝึกปฏิบัติทำงานงานถึงจะแกขนาดไหนนันก็ให้ารงานในด้ถ้ามันนฝึกฝึกเป็นเรืจะเอาใสเรียนแล้องฝึกเยอก่อน มางฝึกแก่มาใส่คทอเดียวสิว่าอายเอวตัวนั้นมันแก่แล้วคงจะเป็นเกี้ยนเกี้ยนเกี้ยนหน้พอใส่เข่าแ้วก่ไม่เต็นไปให้จิตใจของเด็กเราทั้กสองนองเดียวกันนม่แก่ไปกิเลสปันหายจะตกไปหลุดไปมันไม่อย่างนั้นทั้งนองจิตใจของมนุษย์ทั่วไปยิ่งแก่เท่าไรเสมือนหลุดเบ แ่ะทะยึ่งยุ่งเขาจะเอามาต้นมาแจกมาหนึ่งอะไรจิงนม่ไา้เหลือพลังเจาถึงขีดของมันม <c oughs> ีเจาส้นเจะใยเจะรับทางในา่าดจิตใจของคนเจ่ที่มีสัญญาอารมณ์ในรูปสิกหัดบัดแปลงทางธรรมของธนามงเดียวกันเยื้งคิดติดข้องในสมบัติทัศฐานในหลูกในลางในบา้านในช่อง ยึดติด ท, ทุกอย่างยึนอยู่ตลับเวลานั่งแฉนอนก็ยึง ท, งทั้งทั้งคือในไปทำอะไรก็ยึงอยู่ในใจก็คิดนี่การมนเด็สกจิตเป็นอย่างนั้นแกในมีคุณค่าในมีสาร ะ, ะประโยชน์อะไรยึงแก็ะยึงหาสาระอะไรนในบัตรยึดแกจะยึดหาคุณค่ า, นาในบัตร จริงๆมีธรรมะในใจนักเป็นไปแบบนั้นโดยส่วนใหญ่สิงบนอย่างนั้นบนอย่างนี้เพราะความไม่มีความสุกภายในใจส้่งสนแต่แต่ที่นี่อาจมีทางมีศีมีทางมีภามาไม่มเป็นอย่างนั้นแต่เท่าไรยิ่งมีคุณค่าแต่เท่าไรยิ่งมีราคาเิ่นคืออาจารย์ที่ท่านเคยอบรมฝึกเตี๋ยวขึ้นขังมา ยิ่งอายุแก่เท่าไรใจค้างข่านจะยิ่งรยิ่งรูร้สึกสุขคนแต่ใเช่นเถ่อนใจเลื่อนใจกรัทธาเพราะท่นมีคุณธรรมในใจขอ้งท่านคุณธรรมเป็นของสาธานะเป็นของทุกคนที่จะแข่งแสงหาศึกษาให้จิตใจทังนตนไดรับ มักผลธรรมวิสุทธิฝึกได้อบรมได้ในว่ายิงในว่าชายเพราะในสมัยก็จกุบก็เคยมีเชอรีประวัติหมายถึงกาสฝึกอบรมเกี gros, um ่ัวกับเขาใจจาบหรือทุ่นเป็นอริยเจ้าเป็นสัมมะชังโลกได้อย่างนี้ก็่ฝึกชายถ่ายเดียวฝึกหญิงก็ฝึกได้ ก็คือเหลือปัญหาเพียงเดียวกัมยิ้มชายเป็นภาษาสมมติจิตใจเมื่อสึกอบรมเข้าสู่ขั้นสงบในความสึกความสบายมีสมาธิสมาบัตภายในใจของตัวแล้วนม่มียิ้มไม่มีชายมอจากตายอันนั้นไปทัทีเราจะเกิดเป็นพรหมพรหมมียิ้มไม่มีชาเพราะใจมีสมาธิสมาบัต หนักแน่ในเกี่ยวข้องจิตดีในการอารมณ์ต่างๆในการสึกจิตเมื่อเธอสูอ้ขันสงบถนเป็ น, นอันเดียวกันไมว่าเ้าว่าไว่าปัญพชิตเม่จิดกตต่างอะไรกันการฝึกจิตคืออาจารย์ทุกท่านก็เคยมาสอนพวกเร า, านะขอควรคือส้สนใจ ไปในสำนักต่างๆโดยส่วนใด่ทางกรรมฐานคืออาจารย์ทำแนสอนด้านภาวนาด้านศึกจิตเป็นส่วนใหญ่เพราะการศึกจิตมีคุณค่ามีสาระมีอานิสงส์มากกว่าสิ่งผัวไปจิตเป็นสิ่งสำคัญที่นักกลา่าในพระพุทเจ้าเป็นส่นสัระเสร็ ก็เป็นของมีคุณค่าสาระยิ่งกว่าสิ่งอื่นหมดทั้งโลกหากจิตใจของคนใดได้ฝึกอบรมแต่รับวาสมสงบสึกภายในใจทัองเัวแล้วคนนั้นมีคุณค่าสาระมากเฉพาะวตลท้องท่านเคยจิดขว้งเต่าหมอเคยคจิดจริงื่ิงใจในเรื่องต่างๆท่านหักห้ามเอาได้ ละแผนวางทผานจอยตัดทิ้งสิ่งที่หนจ็นสาะประโยู่์สำหรับตัวขางท่านโลกกดหลวงหมดไปภายในใจใจสว่างสวายใจเยือกใจเย็นใจรู้ใจห็นสิ่งที่อัศจรรยวิสุทธิเหลือที่เคยน่ะลบเคลืนจิตใจหมดไปสกรไปไม่มีอะไร คือเลี้ยหลเพราะอำนาจสติเพราะอำนาจปัญญาจะฟันแผลเผ่าสิ่งเหล่านั้นให้หายไปจากใจทั้งท่านความเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งลายเสก็คือความมีสติมีปัญญาจะนั่งจะภาวนาจะเดินจงกรมเลื่อยละเอียดเด็ดใดมีสติจะจำตัว การทำตารสืบการคิดทุกอย่างในเทสติมีปัญญ า, าสอบสอนที่ท ม, ททมิตรกจรนาสมมิงสมม่งที่จะจะควรละสิ่งที่้วรบำเพ็ญโดูสม่ำเสมอนี่หมายถึงผู้ที่ตั้งหน้ากปฏิบัติแน่ใจสติปัญญาให้หายไป จ, จากใจทั้งทาง่าน เนื <aria. S 2> ่อมีะตูมีปัญญาประจําอยู่อย่างนั้นอารมณ์ปัญญาจึงเป็นสายต่ำเกิดมาก็ทราบได้เหมือนนายามเข้าประตูคนดีคนเชื่อที่จะเข้าประตูมาเห็นหน้าเห็นตาของเขาควรจะให้เข้าหรือจะผลักดันออกห่างกันเอาไว้ก็เป็นเรื่องของนายประตูนายาม ไม่ติดใจเลยนะอันนี้ยากขั้ใดจิตใจต้องปลุกเราทั้งหากมีสติแต่จำดีสมันจะเส ม, มอสัญญาอารมณ์สังขารที่ขุดขึ้นเจงขึ้นภายในใจทราบได้ว่าอันนี้เป็นทางดีหรือทางเชื่อเนทางสืบสนหรืออับสืบสนควรที่จะให้จิตเกี่ยวข้องสังคมหรือควมที่จะ ปาดเต่า อ, ออกไปนี่คือสติคือปัญญาของสู่ทำความเพียรมีประจำดูทุกระยะทุกเวลาสี่สิภาวนามีสติมีปัญญาแห็นจริงหละความเพียรคือเพียรละเพียรบำเพ็ญเพียรคือควรละก็หมายถึงความเชื่อเพียคือควรบำเพ็ญ กฎหมายถึงความดีฉะนั้นในทางปริยัติตำหรับตำราศาสนาขนจึงล่าประทานความเพียงค <c oughs> ืออย่างเึ่อแผนเขียนเอาไว้สัเวล่าละละประทานเพียนระวังห้ามกันน้นในความชั่วเกิดขึ้นภายในตัวคือภายในจิตในใจของตัวเอง ทำเปลียนกายจะทำเชื่อ ว, วายายจะเูดเชื่อออกไปจากใจก่อนถ้าใจไม่คิดใจไม่ตึงใจไม่สามารถที่จะไปทาอะไรได้วายาไม่ใใสามารถที่จะดูดะว่าเปล่าอะไรได้มันเกิดขึ้นจากใจแค่ตัเมื่อมีสติรักษาใจอารมณ์สัญญาฝ่ายตังฝ่ายอาธทําเกิดขึด้น เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่ที่ไม่ดูเมื่อพูดไปทําไปจะให้เค็มดิบปัดเต่าเึีงเชื้อในจิดตามห้ามกัน้นความเชื่อเถ่อไปอย่างนั้นไม่ให้เข้ามาโยกสล้งกับจิดใจเรียกอย่าสั่งวรรณะทานคือสั่งยอนแล้ววัง ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งตัวเห็นได้ยินได้กลิ่นดื่มรสสัมผัสทุกส้นงทุกอยางไม่ได้เหลงไม่ได้เหลือนตัวในความเชื่อเยวข้องระวางรักษาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจายใจไปเกี่ยวข้องกความเชื่อ แต่หานแต่ทานความเชื่อที่มีอยู่ภายในซึ่งเป็นนิสัสยหรืออุตตมนิสัยมาเก่าก่อนั่นเองมันคิดภายในจิตในใจทั้งตัวถ้าสติดีสติกล้าสามารถจะเห็นตั้งฐานจิตเต่งขึ้นภายในอยู่ทุกระยะทุกเวลาทำให้เต่งขึ้นคิดขึ้นในสิ่งที่ชั่ว ทหารประหารถา่ายนเชี่ยสอยมันเชี่ยอย่าไปเก็บกรรมเอาไว้ความเชื่อภายในใจเหมนนั้นมีเรื่องประหารประทานทําะลาความเชื่อที่มีอยู่ในตัวให้หมดไปความเชื่อซึ่งจะจอนเข้ามาจากภายนอกระ ว, วังรักษ า, าไว้เดี๋ยวสังเวละประทานความเชื่อภายในประหาประหารไป เมื่อความเชื่อภายนอกมีโอกาสเข้ามาความเชื่อภายในสัมภารส่ายไปความเชื่อที่มีอยู่กว่าน้าวันเวลาคือจะเบาบางหรือหมดไปเหมือนน้ำในตุ่นในไหอยเราตักได้เลื่อยไปเนี่ยเอามาเพิ่มเติมมันก็มีเวลาโอกาสที่จะหมดแต่หากเราเพิ่มเติมอยู่เรื่อยมันก็ไม่หมดพอมันจะหมดเปิดก๊อกไหลเท่า นีนก็เลยหมดพอเราปล่อยมันเข้ามีความเชื่อในกายในใจของเราจะทำนองเดียวกันถ้าเราห้ามกัน้นเดือดสังวาลาปะทานระวังรักษาในความเชื่อทั่วไปไม่ให้เกี่ยวข้องกายใจของเราความเชื่อที่นี่อยู่สัมละกละสังออกไปให้หมดเชื่อความเพียรในการละเชื่อ ประทานแต่ทาบ ำ, ำเพ็ญคุณงามความดีสิ่งที่จะเป็นสารประโยชน์แก่ตัวขางตัวและประเทศชาติเมื่อเราทําเราพูดเราคิดอะไรออกไปสิ่งนี้ถ้าหากเขาทําทต่อเราเราจะ ม, มีการเสียใจดีใจในสิ่ง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 ใจทั้งตัวให้เบาสบายคิดไปเกิดความผ่อนใสคิดไปเกิดความตื่นใจในความดีทั้งตัวคิดไปเท่ายิ่งเป็นเรื่องแก้ไขเรื่องสำระไม่ใช่เป็นเรื่องก่อป่วยพิเรตปัญหาเรียกว่าภาวนาประทาน คือทำความดีให้มีขึ้นเราเคยคิดเคยนุ่หลนิดหน่อยแต่เราพยายามรักษานิดหน่อยเอาไว้ไม่ให้เสียไปเพิ่มขยายความคิดของจิตของใจทางสำลักสายสั่งทางหยอกเย็นใจใจให้มากขึ้นไม่ใช่คิดนิดหน่อยตกไปฮะ สิ่นไหน่ที่เป็นคุณข่าชาะในทางธรรมเพิ่มพวีณขึ้นจะวงมากขึ้นจิบใจได้รับความขึ้นชื่นได้รับความเบิกบานได้รับความอัศจรรย์เพราะการสวัขวายทำความดีภายในเข็นเดินลงตนมันเทอเทอคิดตัอย่างนั่นอย่างนี้ เรากําหนดเอาไว้ยี mind, ่รอบมันเผลอไปจะตั their their well. ้งใหม่ให้ได้มากกว่านั้นอย่าเผอผลที่ปุดแต่ระยะที่เดิมจนกระทั่งหยุดในนี้เผอนั่งภาวนาระยะกี่ชั่วโมงกี่นาทีเคยเลิกเคยละจะนั่งเพิ่มขึ้นอีกให้ได้นานกว่านั้นหยุดใจจะ ในตั้งมก่นในอาในธรรมในปล่อไปตามตัง้งยาอารมณ์ในธรร ม, ม, ม, มสัจธรรมธรรมโดยเอาใ้ใส่โดยการรักษาจิตใจจริงจังจนเห็นผลในการกระทามของตนเกิดอัศจรรย์ในอดในธรรมที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นเด่นชัดในจิตในใจนี่คือการภาวนาแต่ทรรม สร้งคาความดีส่้างสติปัญญาในแก่ตัวของตัวอ น, น้รักษณาประทานรักษาความดีทุกด้านที่เป็นของดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ตกไปโดยง่ายใดรักษาให้คงเส้นคงวาในความดีของตัวในความชัวม่วในเกี่ยวข้อง เ, เรียกแบบความเพียรถ้าจิตใจเต็นไป้วความเพียรแล้วคนนั้นจะมีทางถึงจุดมุ่งหมายจะมีทางอื่มมีทางเต็นถ้าจิตใจดาเนินไปถูกต้องระยะที่ยังไม่อื่มมันก็ยังสุด ยังคิดยังเป็ในความดูอยู่เมื่อมันถึงจิดอื่นจุดพอของมันเราเองจะทราบจะเข้าใจแต่มันพออย่างไรเมื่อมันพอมันจะเป็นลนิมิตคือความหลุดออกไปจากความดีความชั่วต่างๆไน่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวเกาะกับความบริสุทธิ์นั้นความบริสุทธิ์นั้น จะไม่มีอะไรสงสัยถึงไม่มีใครเห็นด้วยตัวเองก็เห็นเข้าใจชัดเจนว่าอันนี้ไม่มีทางที่จะบำเพ็ญจะละอีกจนความบริสุทธิ์ที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนความเยเือกเย็นจิตใจเป็นสมาธิสมาบัติเรียงรียงละเอียดแน่แน่ขนาดไหนนั่นมันเป็นทางดําเนินของจ ในใ่ความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงไม่มีทางสงสัยในใจของตัวเองว่าเราจะควรบําเพ็ญ อ, อีกอย่างไรควรละอะไรต่อไปมันหมดสงสัยเป็นธรรมตัดเจตตังเฉพาะท่านผู้จะทาําบําเพ็ญจะเห็นจะรู้ในตัวเองถึงขั้นนั้นไม่มีสมมติไม่มีจิริยา ไม่มีอะไรที่อยากสงสัยเป็นอันจบในการละการบำเพ็ญเคร่งตนทางปริยัติทันเร็วจบทันแม่จันในมีอะไรจะเป็นจิตสาคัญยี่ยงกว่าการละการถอนเจริญเมื่อไปถึงที่สุดจิตหมายแล้วไม่มีอะไรที่จะฝึกจะสบายจะเยียวยาเย็นจะเพียงพอจะสมบูรณ เขากับจิตจิตบริสุทธิ์จิตสองอย่างนั้นท่านจึงอยู่เป็นสึกสงบทุกการทุกเวลาถึงสั้งฐานสัญญาจะมีอยู่เหมือนพวกเราธรรมดาแต่ท่านก็เห็นกรูว่าอันนี้เป็นสมมุติอันนี้เป็นสังขารเมื่อยังมีร่างกายอยู่เมื่อไรแจะใา้มันไปตามสมมุติของโลกเมื่อกายแตกสลายเมื่อไรสิ่ที่หนึ่ง เป็นใจตามท้างฐานคืออะไรท่านทราบเราจะไปกอ่อะพบก่อชาติอีกไหมท่านทาบได้อะไรมันจะไปเกาะเกิดเก่อตายอีกความบริสุทธิ์นี้จะไปอยู่ที่ไหนท่านตัวชาตอีกนิพพานของท่านจึงมีอยู่ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่เพราะจิตของท่านบริสุทธิ์เป็นมนุษ ย, ษย์ไม่ตังเลยเข้าใน่ั้งเลออก นี่ ค, คือความบริสุทธิ์ของใจความบริสุทธิ์ส่วนนั้นจะเป็นไปได้ก็อาศัยความผาาความเคลียนคือสังเวลประทานการสร้างดอนระ่าลางในใความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกายใจทั้งสองแา่หานปต่ทานชนะความเชื่อที่มีอยู่แล้วให้หมดไปภาวนาประท า, า, านพยายามสร้างผล ง, งานความดีถึงเป็นอาจเป็นทำให้เกิดขึ้น อนนี้รักษาไปทางรักษาความดีที่มีอยู่แล้วในส่วนในเสียไปเป็นจิตใจอิ่นตัวพอตัวแต่เป็นมีมุตเหมืนยังจะเป็นมีมุตก็ต้องตั้งหน้าทําเรื่อยไปนี่เหลี่ยงธรรมะของเราพุทธเจ้ามันมีอยู่นอกกายนอกใจของศุกเราพระพุทธเจ้าเองท่ารู้ท่านเห็นท่านก็พิจารณา อย่ภายในซึ่งมันคือมีอาจารย์ที่ไหนสอนท่านก้องกนหดนดลมของท่านก่อนที่จิตจะสงบใช้ฝึกใช้ปฏิบัตเดื่ออากัปกิริยาต่างๆจนอดนอนผ่อนอาหารพรมานกายทำทุกข์จิริยาแต่เมื่อเวลามากาหดนดลมหายใจเข้าออก ให้จิตจิตเป็นไปเส่วนอื่นกําหนดอยู่อย่างนั้นเป็นจิตสงบเรียมลงเป็นหนึ่งก็ทราบดีว่าการกําหนดภายอะไรเป็นทางที่จะแก้ไขจิตใจที่เลีมเหลงได้ถ้าจิตกำหนดเรื่อยไปเป็นใจเรียมเกิดความรู้เกิดญาณขึ้น ห น, นึ่นนนนนนตงต้นพอถอดถอนกลนมากดพิจารณาได้เลื่อยไปในสิ่ตงต่างๆปัฏิกยาการคือเกิดแกเจ็บตายทดคาดต่างๆจนไปถึงต้นของอริชาคือจิตที่ลืลออออ่อมหลงติดข้อถอดถอนเสมะ เต็มเขเงาต่อของมันออกได้มันก็หายสงสัยใจอันเดียวเท่านั้นคือไปดีไปชั่วในใจเรื่องอื่นตายเพียงแต่เรื่องนอกหากใจดีมีธรรมเรื่องของกายมันก็เป็นไปตามหากใจไในดีในมีอัตธรรมกายมันก็ทําชั่ววาจามันก็พูดชั่วไปได้ งานรับปรการดนั้นการตั้งใจการปฏิบัติใจจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากไม่เอาจริงเอาจังในเชามน้าที่จะเห็นจะเป็นได้สำหรับเราสิ่งที่เป็นมีแต่ยากทางธรรมะทางเจ้าว่าทุกขะปฏิปทาทันทาสินยา คือปฏิบัติยากลื่้าในใจสุขะปฏิปทาสิตาพันญะกิริยาพวนั้นเพียงได้ยินได้ฟังนิดหน่อยเท่านั้นก็เข้าใจปฏิบัติ ง, ง่าพะใจขงท่านรองรับอยู่แล้วปฏิบัติเอาแต่เยอกเดียวแต่รู้แตเห็นบางท่านบางองค์เพยงตรงผมยังไม่ได้บวชที่เจนาผมถูกตกลงไปใ น, ในใยินเท่านั้น จะไเป็นอาหารอาหารันอรหันนั่นเรียกว่าฝึกข้าปฏิภาณิปตาพิญญาปฏิบัติสะดวกง่ เ, กเลยมเหมือนพวกเราพวกเราเคยที่นี่เี่นั่นเคยได้ยินได้ฟังมาเคยศึกษาเคยปฏิบัติแต่มันจะเป็นไปยากถึงยางกเในเหลือวิสั ย, สยมันพยายามศึกษามันพยายามติดตามยากวางม ในเอเทือความย า, ากมันจะไปง่ายในอะไรในอะไรจะสำเร็จให้เดินไปในได้ยากก็ต้องทางําเพราะหน้าที่ของเรามีเหมือนคนเดินทางที่นี่ขุกขาดที่นี่กันดานแต่จุดหมายปลายทางเราอยากจะไปอยู่นู้นเห็นอย่ามันยากมันลบาบากหม่ไปเราจะนึกอยู่ใจใจมันก็ถึงในได้ถึงยากลำบากก็อุตส่าห์พ้ายาม หัวหิ้ไป